Thank you. สวดพิเศษที่เราพิ่งสาธยายมาสักครู่ที่ชื่อว่าอภินาปัจเวกอันนี้เรียกว่าคาถาดับทุกข์นะอันนี้ธรรมาตั้งชื่อเองนะเป็นคาถาดับทุกข์ดับทุกข์ที่ว่านี่นะไม่ได้ไหมายความว่าจะไม่เจอความทุกข์กับกาย เห็นความแก่ความเจ็บความป่วยไม่ได้แปลว่าจะไม่เจอความพัดพลาคสูญเสียแต่หมายถึงว่าเป็นคาถาดับทุกข์ในใจทุกกายเนี่ยมันเรื่องยากนะแปลว่าจะมีเงินมีทองมีอำนาจมีเทคโนโลยีมากมายเพียงใดมันก็หนีความ แก่ความเจ็บความป่วยรวมทั้งความตายไม่พ้นแต่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยไม่ได้แปลว่าใจจะต้องทุกข์ด้วยทุกขกายเนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับทุกใจนะสํานวนที่ว่าครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากเนี่ยมันก็บ่งบอกในตัวนะว่าไอ้ความทุกข์กายเนี่ยไม่เท่าไหร่ทุกขกายยางไรก็ให้ใจไม่ทุกข์ก็พอแต่ถึงแม้ กายจะสบายแต่ถ้าใจเป็นทุกข์แล้วมันก็หมดกันนะคนที่ฆ่าตัวตายจํานวนมากเขาก็มีความทุกกายทุกใจเขามีความสบายกายนะแต่ว่าเขามีความทุกใจไอคนที่ทุกกายแต่ใจสบายเนี่ยไม่มีใครนะที่จะคิดฆ่าตัวตายตมีแต่ว่าสบายกายแต่ทุกใจ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 เอาสามข้อนี้ก่อนนะถ้าเราเห็นจริงๆนะไม่ใช่แค่นึกเอาถ้าเรามีคาถาสามข้อนี้อยู่ในใจนะมันทุกข์ยากนะทุกข์ยากหมายความว่ายากที่จะทุกข์ปนะ่วยกายก็ เ, เวลาแก่กเ็เห็นว่าเป็นธรรมดา ใจก็ไม่ทุกข์หลายคนเนี่ยนะเพียงแค่เห็นผมงอกผิวตกกระหน้าเป็นสิวนะหนังเริ่มเหี่ยวย่นอันนี้กับคนอายุยี่สิบสามสิบนะหรือบางทีสี่สิบก็กินไม่ได้นอนไม่หลับนะเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้เห็นว่ามันเป็นธรรมดาไอ้ความแก่เนี่ย ความเจ็บไข้ก็เหมือนกันนะถ้าเราเห็นว่าความเจ็บไข้เป็นธรรมดาและตอนที่ยังไม่เจ็บไข้เนี่ยเราก็ระลึก อ, อ, อยู่เสมอว่าสักวันหนึ่งเราต้องเจอนะไม่มีทางเลี่ยงได้เมื่อเราเตรียมใจเผื่อใจไว้อย่างนี้เนี่ยนะนะพอเวลาเจ็บไข้จริงเราก็จะไม่โวยวายไม่ตีโพยตีพายว่าทําไมต้องเป็นชั้นทําไมต้องเป็นชั้น คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยพอพบ ว, ว่าตัวเองเป็นโรคนะโดยเฉพาะโรคที่รักษายากเนี่ยช่โรคมะเร็งเนี่ย <ๆ S 1> ก็วอยวายตีโพยตีภายทำไมต้องเป็นชั้นถ้าเราเห็นชัดจริงๆนะว่าความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่สามารถจะร่วมพ้นความเจ็บไข้ได้เนี่ยเพราะว่าใครๆก็เป็นกันทั้งนั้นแหละ แทนที่เราจะบอ ก, กบตัวเองว่าทำไมต้องเป็นชั้นเราก็กลับจะพูดกับตัวเองอีกอย่างว่าทำไมจะเป็นชั้นไม่ได้เพราะใครๆก็เป็นทั้งนั้นปู่ย่าตายายาก็เป็นพ่อแม่ก็เป็นรอบข้างก็เป็นทุกวันนี้เนี่ยเราแต่ละคนเนี่ยจะต้องมี คนรู้จักอย่างน้อยหนึ่งคนนะที่เป็นมะเร็งอาจจะรวมถึงเบาหวานไตาวายด้วยโรคหัวใจต่างหากเราคิดว่าเราคงจะมีอย่างน้อยญาติหนึ่งคนนะนะที่ตายด้วยโรคเหล่านี้และเราพิเศษกว่าคนอื่นตรงไหนนะอย่าไปอ้างว่า เ, เราทำความดีมาเยอะเราทำบุญให้ทานเรารักษาศีลอ้างอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะว่า แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังต้องอาพาธพระอาหารหันต์จนวนไม่น้อยนะก็เป็นมะเร็งหรือาอาพาธด้วยโรครายแล้วเราเนี่ยเพียงแค่รักษาศีลห้าแล้วเราจะอ้างนะคุณนิวิเศษว่าฉันจะไม่มีจะต้องไม่เป็นมะเร็งจะต้องไม่เป็นโรคร้ายได้อย่างไร คิดเผื่ออาไว้ก่อนนะเมื่อเราท่องหรือเราได้อ่านนะบทสวด น, นี้แล้วเนี่ยอย่าแค่สักแต่ว่าพูดเปล่าๆหรือว่าว่ากันไปตามหนังสือนะลองหมั่นพิจารณาสักหน่อยแล้วก็ท่องเอาไวนะ้ทีแรกก็ต้องท่องเอาไว้ก่อนนะเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลงพื้นความแก่ไปไม่ได้ เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลงเป็นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เราจะต้องพัพกพัดพลาจากของรักของชอบใจทั้งนั้นอันนี้เราควรจะระ ล, ลึกอยู่เสมอในยามที่เรายังไม่แก่เรายังไม่เจ็บไม่ป่วยเรายังไม่เจอความพัดพลาดแต่ที่จริงเนี่ยมาถึงตอนนี้พวกเราทุกคนเนี่ยนะก็ต้องนะประสบความแก่ไม่มากก็ น, น้อยยี่สิบสามสิบก็ถือว่าแก่นะ เมื่อเทียบกับคนอายุสิบขวบห้าขวบเราทุกคนก็ต้องเคยเจอความเจ็บไข้ามาทั้งนั้นเพียงแต่ว่าอาจจะยังเจ็บไข้ไม่รุนแรงเราทุกคนก็ล้นแต่เจอความพัดพลาดสูญเสียทั้งนั้นแม้ความพัดพลาดสูญเสียบางอย่างอาจจะหนักแต่ก็ให้เราลึกว่าไอ้ที่หนักกว่านี้ยังมีอยู่นะยังรอเราอยู่ควรจะนึกในใจว่าเออโชคดีนะั่นที่เรายังไม่เจอหนักกว่านี้ แต่ก็อย่าประมาทเพราะว่าไอ้ที่หนักกว่านี้นะยังมีอยู่คนที่ใกล้ตัวคนที่เรารักอาจจะไม่ใช่พ่อแม่ไม่ใช่คู่ครองบางทีอาจจะเป็นลูกเป็นหลานมันไม่ใช่ว่าเป็นเด็กนะจะตายทีหลังเราอาจจะตายก่อนเราก็ได้นี่ก็เป็นความพัดพรากที่ยิ่งใหญ่เหมือนกัน ผู้ยังยี่ไม่ได้แช่งนะแต่ว่าเป็นการเตือนให้เราไม่ประมาทหลายคนเนี่ยเขาไม่ฉลาดใจนะไม่ได้คิดเผื่อไว้เลย ท, ทั้งที่ก็เห็นอยู่รอบตัวนะว่าเด็กๆลูกหลานของคนนั้นคนนี้ก็ล้มหายตายจากไปหรือว่าคนนั้นคนนี้ก็สูญเสียคนรักสูญเสียพ่อแม่ นี่คือความพัดพรากที่มันต้องเกิดกับทุกคนในเมื่อมันยังไม่เกิดนะก็ถือว่าโชคดีแต่ขณะเดียวกันก็อย่าประมาทนะให้เตือนใจเผื่อใจไว้ว่าเอนมันอาจจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหรก็ได้วันนี้วันพรุ่งก็ได้ได้ซ้ำงั้นถ้าเราระลึก อ, อยู่เสมอเนี่ยพอมันเกิดขึ้นจริงนะเราจะเราจะรับมือกับมันไหวนะ อะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยถ้าเราเตรียมใจทำใจไว้ล่วงหน้าเนี่ยมันไม่เท่าไหร่นะถ้าเรายอมรับได้ว่ามันเป็นธรรมดาเนี่ยเราจะไม่ทุกข์เท่าไหร่หลายคนเขาสุดเป็นปกติด้วยซ้ำเมื่อเข้าสูญเสียคนรักเพราะเขาเตรียมใจไว้แล้วไอ้ความทุกข์เนี่ยของคนส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นเพราะว่าทำใจไม่ได้ยอมรับไม่ได้และคนรานเนี่ยมักจะมีเหตุผลว่า มันไม่น่าเกิดขึ้นกับฉันนะมีผู้หญิงคนหนึ่งแต่เป็นคนที่ดูแลสุขภาพดีมากออกกำลังกายเป็นประจำนะจ็อกกิ้งก็ดีว่ายน้ำเล่นโยคะแล้วก็อาหารการกินก็พยายามหลีกเลี่ยงผงชูรสสารเคมีกินอาหารชีวจิตหรือว่า แมคโรเบอติกบนะุรีแอลกอฮอล์ก็ไม่แตะน้ำอัลมในพวกที่มีสารเจือปนก็ไม่สนอาหารที่บำรุงสุขภาพนะที่ช่วยกําจัดพวกแอนตี้พวกออกซิเดนท์พวกอนุมูลอิสระแอนตี้ออกซิเดนท์เนี่ยแกก็ซื้อมา รวมทั้งไโคคิเทนสารหลายสไปรูไลน่าอะไรทั้งหลายเนี่ยเนี่ยก็ไปหามาด้วยความเชื่อว่ากินแล้วเนี่ยทําแล้วบริโภคแล้วเนี่ยจะไม่เป็นมะเร็งจะไม่เป็นโรคร้ายโรคหัวใจคันปออยู่แค่ไม่ถึงห้าสิบเพว่าเป็นมะเร็งหมอว่าคุณเป็นมะเร็งมะเร็งปอดด้วยซ้ํานำทั้งที่ไม่ได้สูบบุหรี่ โอ้ช็อกเลยนะไม่ได่ช็อคอย่างเดียวนะ่โกโรธด้วยทำไมต้องเป็นชั้นชันอุตสาดูแลสุขภาพมาดีไอคนที่มันกินล้าสุขรีทาไมไม่ไม่เป็นนะทำไมชั้นอุตสาดูแลอย่างดีสุขภาพทำไมถึงเป็นรู้สึกว่าตัวเองถูกหลอกนะถูกหลอกให้กินอาหารชีวจิตกินอาหารแมกโรเบลติก ซื้อยานโน้นยานี่มามีความโกรธนยอมรับไม่ได้แล้วก็พอโกรธแล้วไม่รู้จะโทษใครนะก็ระบายใส่หมอใส่พยาบาลใส่คนรอบข้างต่อเวลาที่เจ็บป่วยเนี่ยไม่มีความสุขเลยทั้งๆที่ทุกขเวทนาความเจ็บความปวด ย, ยังไม่ออกฤทธินะ์แต่ว่าใจนี่มันยอมมันทุกข์มากเพราะยอมรับไม่ได้ มันไม่น่าจะเป็นชั้นแล้วแกก็ไม่มีความสุขเลยนะทะนั้งที่เวลาก็เหลือน้อยแทนที่จะใช้เวลาที่มีอยู่ให้มีประโยชน์ไหนๆเกิดมาทั้งทีก็ควรจะได้พบกับความสุขยิ่งเวลาเหลือน้อยก็ยิ่งใช้เวลามีความสุขมากขึ้นก็กลับปล่อยให้มันเวลาแต่และเวลาจมอยู่กับความความเศร้าความโศกความโกรธความแค้น ซึ่งก็ยิ่งทําให้โรคร้ายมันลุกลามเร็วเข้าตอนก่อนจะตายก็ทุรนทุรายไม่ยอมรับความตายและตายก็คงจะตายไม่ดีนะเพราะว่าไม่สามารถจะทําจิตให้สงบได้เลยเพราะไม่ยอมรับงั้นถ้าเราเนี่ยเริ่มต้นจากการที่ยอมรับว่ามันเกิดขึ้นแล้วบนโวยวายตีโพธตีพายทําไมไม่มีประโยชน์หรือทําให้ดีกว่านั้นคือว่าเออเห็นว่ามันเป็นธรรมดา คนที่ดูแลสุขภาพดีก็อาจจะอายุสั้นได้คนที่ทำความดีก็อาจจะตายก่อนคนที่ทำชั่วก็ได้อันนี้มันเป็นเรื่องที่มีเหตุปัจจัยเกี่ยวข้องมากมายยากที่มนุษย์เราจะหาคำตอบได้ว่าทําไมคนดีถึงตายก่อนอันนี้มันก็อาจจะโยงไปถึงเรื่องอชาติก่อนชาติที่แล้วหรืออาจจะเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยมากมายที่เราบอกไม่ได้ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ก็ทำให้เรารู้มากขึ้นเรื่อยๆนะว่ามันมีเหตุปัจจัยเยอะทีนี้ถ้าเกิดว่าเรายอมรับว่ามันเป็นธรรมดาได้เนี่ยนะถึงเวลามันเกิดขึ้นใจก็ไม่ทุกข์เจ็บป่วยก็รักษาไปตามเหตุตามปัจจัยความพัดพลาดสูญเสียก็เหมือนกันนะเมื่อมันพลาดเพื่อสูญพลาดพสูญเสียไปก็เตือนใจแล้วว่าเออสักวันก็ถึงข้าวของเรา เวลาของเราก็นับถอยหลังนะขึ้นทุกวันทุกวั น, ท, วนทุกเวลาทุกนาทีเพราะฉะนั้นเร่งทําความดีหรือว่าเวลามีความผัดพลาดสูญเสียที่เป็นทรัพย์สมบัติก็ถือว่าเออเข้ามาฝึกมาสอนให้เรารู้จักปล่อยรู้จักวางการปล่อยวางสําคัญนะพะถึงที่สุดแล้วเราต้องปล่อยวางทุกอย่างคนเราเมื่อจะตายเนี่ยมันเอาไปไม่ได้สักอย่างแม้แต่ร่างกายนี้แม้แต่ลมหายใจแม้แต่คนรัก ทรัพสมบัติมีกี่อย่างโฉนดที่ดินมีกี่ร้อยแปลงก็ต้องก็ต้องปล่อยต้องวางให้หมดเงินมีกี่ร้อยล้านก็ต้องวางเพราะถ้าไปยึดเอาไว้ทําใจไม่ได้เนี่ยไอ้ทรัพย์สมบัตินั่นแหละมันจะทําให้เราเนี่ยตายไม่สงบคอย ห, ห่วงมันนะคอย ห, ห่วงมันดินรนนึกถึงมันนะบางทีจะตายไปแล้วก็ยัง ยังไม่ยอมนะเคยไปเยี่ยมคุณยายคนหนึง่งอตาตมาไม่รู้จักหรอกนะแต่ว่ามักจะพาคนไปเป็นจิตอาสาเยี่ยมคนป่วยตามโรงพยาบาลก่อนไปเยี่ยมนะหมอก็มาบอกว่าเนี่ยคนไข้คนเนี้ยอาการหนักแล้วแล้วหมอเองเนี่ยก่อนหน้านั้นหนึ่งวันก็บอกให้คุณยายคนเนี้ย ปล่อยวางนะปล่อยวางเรื่องลูกไปวางเรื่องอลูกหลานพอบอกให้ปล่อยวางเรื่องทรัพย์สมบัตินี่หน้าแกหน้านิ่คือขโมวดเลยเหมือนก็นไม่ยอมรับนั่นคือหนึ่งวันก่อนที่ธรรมาจะไปเยี่ยมพอธรรมาไปเยี่ยมเนตอนบ่ายก่อนไปเยี่ยมหมอก็มาบอกว่าเนี่ยเมื่อตอนเช้าเนี่ยมีเพื่อนบ้าน ก็คืดก็หอบมามาเยี่ยมยายคนนี้เพื่อนบ้านบอกว่าที่มาเยี่ยมเพราะว่าแกไปหาแกไปทวงเงินยืมเงินไว้หลายปีแล้วไม่คืนสักทีตัวอยู่โรงพยาบาลนะแต่ว่าทรงจิตไปหาเข้าใจไหมไปเห็นนะ่ยไปเห็นยายนี่มาทวงเงินยังไม่ตายเลยนะแต่ว่าทรงจิตไป แกก็เลยรีบมานะเพื่อที่บอกว่าจะจะคืนเงินแล้วนะสแสดงว่าอะไรแซวแกห่วงเรื่องเงินมากเรื่องหนี้มากจะตายอยู่แล้วนะยังไม่ยอมยังไม่ยอมที่จะปล่อยอ ย, ยังไม่ยอมปล่อยวางห่วงเงินอันนี้สแสดงว่าแกเป็นของเงินไปแล้วนะไม่ใช่เงินเป็นของแกแกเป็นของเงินแกถึงวางไม่ได้เนะถ้าเงินเป็นของเรานะเราวางได้ทุกเวลา แต่ถ้าเราเป็นของเงินเมื่อไหร่เนี่ยนะเงินมันก็จะพยายามสั่งให้เราเนี่ยทำโน่นทํานี่เช่นสั่งจิตให้ไปทวงเงินนะจากเพื่อนบ้านเงินมันสั่งนะนะเงินมันสั่งจิตของคุณยายนะให้ไปทวงเงินแกไปคิดว่าเงินเป็นของแกนะแต่ที่จริงอ่ะแกเป็นของเงินจะตายแล้วเนี่ยยังหวงเงินพอเวลาเราจะตายเนี่ยควรจะทําใจสบายปล่อยวางเงิน จะมีกี่มากน้อยก็ช่างมันเพราะถ้าไปห่วงมันตอนจะตายก็ไม่สงบทุรนทุรายตายไปก็ไปอบายมีเรื่องเล่ามากมายนะประเภทว่าห่วงทรัพย์แล้วตายไปเนี่ยก็ไปเป็นไปบนเวียนอยู่แถวนั้นแหละในสารพุตการก็มีพามคนหนึ่งนะแกก็รวยนะ พอตายก่อนจะตายแกก็นึกถึงทรัพย์สมบัติพอตายปุ๊บนี่ไปเกิดเป็นหมานะเฝ้าทรัพย์อยู่วนเวียนอยู่ในบ้านนั่นแหละเนี่ยเพราะหัวเงินนะเพอปล่อยให้เงินมาเป็นนายเหนือเราแทนที่ได้ไปสู่สุคติไอ้เงินทองที่มีเนี่ยแทนที่จะใช้เพื่อส่งทําความดีเพื่อนหนุนสงให้เราได้ไปสุคติไม่เพียงแค่สุขสบายในชาตินี้แต่ว่าไปอ่าสวยสุขสมบัติในภพหน้า แต่พอัวงแหนเงินยอมให้เงินมาเป็นนายสุดท้ายก็ไปเกิดเป็นหมาเนียเฝ้าทรัพย์สมบัติภาพบางรูปก็เป็นห่วงจีวรจีวรใหม่ได้ได้มาสมัยก่อนจีวรเป็นของหายากจึงมีประเพณีทอดผ้าป่าทอดกระถินเนี่ยนะไอ้พวกนี้เป็นเรื่องผ้าทั้งนั้นแหละเพราะว่าผ้าเนี่ยหายากผ้าปกติกต้องไปเก็บเข้ามาจาก ปาช้าสุสานในจีวรใหม่มาก็ถือว่าเป็นโชคก็ดีใจแต่ยังไม่ทันจะได้หอมจีวรนั้นก็เกิดตายจิตเนี่ยนึกถึงจีวรก็เลยไปเกิดเป็นเลนอยู่ในจีวรนั่นแหละอันนี้ก็เรียกว่ายอมให้จีวรเนี่ยมันเป็นนา ย, เ, นยเหนือจิตใจของตนงั้นถ้าเกิดว่าเราเจอความาพ่ายแพ้สูญเสียเนี่ยก็ถือว่าเออเข้ามาฝึกให้เราปล่อยวางนะ เพราะว่าวันหน้าจะต้องเจอหนักกว่า น, นี้หรือวันหน้าจะต้องปลดปล่อยปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างอันถ้าเราคิดแบบนี้เนี่ยนะมันก็ทำให้เรามีความพร้อมมากขึ้นถึงเวลาต้องเจอความพัดพรากออธรรมดานะสุดท้ายความตายนะก็ต้องพิจารณาหรือเราลึกอยู่เสมอนะเรามีความตายเป็นธรรมดาจะลบความตายไปไม่ได้ ระลึกอยู่เสมอนี่ไม่ใช่การแช่งนะมันเป็นการระลึกเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยกลัวตายน้อยลงแล้วก็พร้อมที่จ ะ, ะเผชิญกับมันความตายถ้าเรากลัวมันนะมันยิ่งมีอำนาจเหนือเราที่จริงเนี่ยถ้าคนที่เขาเข้าใจเรื่องความตายเนี่ยเขาจะรู้ว่าความตายไม่น่ากลัวเท่ากับความกลัวตาย เช่นเดียวกันความแก่ไม่น่ากลัวเท่าความกลัวแก่ความเจ็บไม่น่ากลัวเท่าความกลัวเจ็บเพราถ้ากลัวเจ็บเมื่อไหร่เนี่ยนะมันจะหนักกว่าเดิมคนที่กลัวเข็มฉีดยาเนี่ยนะพอโดนเข็มจิ้มไปที่แขนนะหรือที่ลําตัวเนี่ยจะเขาพบว่าจะเจ็บกว่าคนที่ไม่กลัวเนี่ยเป็นสามเท่าคนไม่กลัวก็แค่เจ็บ หนึ่งส่วนคนกลัวเนี่ยเจ็บสามส่วนหนึ่งส่วนแรกเป็นเรื่องของความเจ็บกายอีกสองส่วนที่เพิ่มมาเป็นความเจ็บใจหรือว่าความปวดใจนะความเจ็บจึงไม่น่ากลัวเท่าความกลัวเจ็บนะโรคไม่น่ากลัวเท่ากับความกลัวโรคนะและความตายก็ไม <t> ่น่ากลัวเท่าความกลัวตายและที่เรากลัวตายเพราะเราไม่ค่อยนึกถึงมันเราประมาทเราคิดว่าเรายังมีอายุอีกนาน เวลานึกถึงมันทีไรก็สึกวูบขึ้นมาในใจก็เลยปัดมันทิ้งยิ่งพิจารณานึกถึงมันบ่อยๆเนี่ยนึกถึงมันบ่อยๆจะเป็นการเจริญมรักสติก็ดีก่อนนอนหรือว่าเป็นการระลึก ถ, ถึงทุกครั้งเวลาเราเดินทางไกลไม่ทำให้เราคุ้นเคยกับความตายได้และเวลาได้ยินว่าคนนันตายคนนี้ตายก็เออมาเตือนใจแล้วว่าสักวันก็ถึงคราวของเรานะ อย่างนี้จะทำให้เราเนี่ยค่อยๆเห็นว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาตอนที่ยังไม่ตายก็เออเตือนใจไว้แล้วก็จะได้อาศัยความตายเป็นกระตุะต้นให้เราเร่งทำความดีคนเราเนี่ยถ้าถึงแม้ว่าจะยังไม่ตายเนี่ยแต่ลึกถึงความตายแล้วมันช่วยได้เยอะนะสตีฟจ็อบส์เนี่ยซึ่งเป็นคนที่ผลิตโทรศัพท์ iPhone, iPod, iPad เนี่ย เป็นฝรั่งก็จริงแต่เขาก็เป็นคนที่ฉลาดคนหนึ่งตอนที่เขาเป็นมะเร็งตับอ่อนเนี่ยเขาก็เคยพูดว่าไอ้การระ ล, ลึกถึงความตายเนี่ยของตัวเขาเองเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งที่ทําให้เขาเนี่ยสามารถตัดสินใจเรื่องสําคัญสำคัญในชีวิตได้เวลามีความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าทุกข์เพราะความเทอทยานทุกข์เพราะความคาดหวังความสําเร็จ หรือหน้าแตกเวลาล้มเหลวหน้าแตกเวล า, าผิดหวังไอความรู้สึกความทุกข์เหล่านี้มันจะกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือว่าหายไปเลยเมื่อนึกถึงความตายที่จะเกิดกับเขาคือคนเราเพอนึกถึงความตายเมื่อไหร่ความทุกข์ที่มีมันจะกลายเป็นเรื่องเล็กนะทูกพราะเงินหายทุกเพราะที่ดินถูกโกงนะทุกพราะถูกต่อว่าด่าทอพวกนี้มันเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลย เมื่อถึงความตายแล้วขณะเดียวกันเมื่อถึงเวลาจะตายจริ ง, รงเออก็ทำใจยอมรับได้เป็นมิจกความตายแล้วมาเลยนะความตายเราพร้อมแล้วเพราะว่าเราเตรียมใจอยู่เสมอเพราะเรารู้ว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเราลึกถึงนะสี่ประการเนี่ยนะมอมันเกิดขึ้นกับเรา เม่อจะเป็นความแก่ความเจ็บไข้ความพัดพลาดสูญเสียความตายเนี่ยใจไม่ทุกนะอาตมาจึงเรียกว่าคาถาดับทุกข์ส่วนข้อที่ห้าเนี่ยมันเป็นคาถาสร้างความสุขข้อที่ห้าเป็นเรื่องกรรมเรามีกรรมเป็นของตนนะเราทําดีจะได้ดีทําช่วดีะจะได้ชัว่วถ้าอยากสร้างความสุขก็ขต้องทํากรรมสร้างกรรมดีแล้วก็ ข้อห้านี้ก็มีความหมายมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะเรามีกา ร, รเป็นแดนเกิดนะความหมายง่ายๆเนะี่ยเรา ม, มีกา ร, รเป็นแดนเกิดคือว่าตราบใดที่ยังทํากรรมอยู่ไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วต้องไปเกิดอีกนะทํากรรมดีก็ต้องไปเกิดนะแต่ว่าไปเกิดสุกติทํากรรมชั่วก็ไปเกิดไมื่งันไปเกิดทุกติแต่ว่าความเกิดมันมีไวยาตอีกแบบหนึ่งด้วย นะ ค, คือเกิดทางจิตนะไม่ใช่เกิดจากท้องแม่เท่านั้นก็คืออยวกบกรรมเวลาเราเช่นอยู่อย่างเนี้ยคนที่ตั้งใจเรียนนะขยันเรียนถึงเวลาจะสอบข้ามอัธไลก็ตั้งใจเรียนนะพยายามจะศึกษาหาความรู้ทำแบบฝึกหัดทำบททดสอบติวที่ไหนก็ไปเรียนที่นั่น สุดท้ายก็สอบข้ามาอัธไรได้กลายเป็นนักศึกษาไอความเป็นนักศึกษาเกิดขึ้นรู้สึกว่าฉันเป็นนักศึกษาอันนี้ก็เรียกว่าควา ม, วามเกิดนะเมื่อใ่ก็ตามที่เราเป็นนักศึกษาแล้วเราก็รู้สึกว่าฉันเป็นนักศึกษาแล้วเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเกิดแล้วเกิดเพราะอะไรเพราะกรรมเพราะความข ย, ยันบางคนอาจจะกินกินะทาตามใจปากกินตามใจปาก จนอ้วนก็เกิดความรู้สึกว่าฉันอ้วนฉันเป็นคนอ้วนอันนี้ก็เรียกเป็นการเกิดนะเหมือนกันนะก็เห็นได้ใช้ว่าเป็นการเกิดพอกกรรมคือถ้าไม่กินเยอะเนี่ยมันก็ไม่เกิดในความรู้สึกว่าฉันเป็นคนอ้วนมันก็ไม่เกิดขึ้นอันนี้เขาเรียกพบนะเป็นพบคาว่าพบเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าไปเกิดหลังตายเท่านั้นขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราก็เกิดเป็นนักศึกษาเกิดเป็นคนอ้วน หรือว่าบางคนเนี่ยก็พยายามรักษาสุขภาพดีร่างร่างกายก็เพรียวรู้สึกว่าฉันเป็นคนสวยเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึว่าฉันเป็นคนสวยเนี่ยก็เรียกวความเกิดมันเกิดขึ้นแล้วพบเข้าสู่พบเลือกพบชาติทําชั่วมันก็สัว่วฉันเป็นคนเลวหรือว่าไม่ไขยันขันแข็งฉันเป็นคนล้มเหลวอันนี้ก็เกิดเหมือนกันนะ อันนี้ก็ถาว่าเราอยากจะเกิดเป็นอะไรอยากจะเกิดเป็นคนดีเราอยากจะเกิดเป็นคนที่มีความสุขอยากเป็นเกิดเป็นคนที่อประสบความสําเร็จอยากจะเกิดเป็นคนที่ปล่อยวางก็ต้องทํากรรมอันนี้เรียกว่าเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศายัยอยากจะได้ความสุขก็ทําทกรรมกรรมในทีน่นี้เน no, ja, ี่ยไม่แต่มันความชั่วนะเดี๋ยวนี้เวลาพู้ว่าทํากรรมทากรรมเนี่ยเราหมายถึงว่าทําความชั่วที่จริงไม่ใช่ กรรมดีก็ได้กรรมชั่วก็ได้เหมือนกันเรามีเราเป็นทายาทของกรรมนะก็หมายความว่าเราทํากรรมอะไรไว้เราก็ต้องรับผลของกรรมนั้นกรรมมาทายาโทเราเราจะต้องเป็นผู้รับเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นกรรมนี่ปรุงแต่งเราแล้วเราก็ปรุงแต่งกรรมจึงเรียกว่าเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เราเป็นคนสร้างกรรมกรรมก็เป็นผลจากการเป็นผลจาก ความเพียรของเราหรือเป็นผลจากการกระทําของเรานั้นเท่าไหร่อยากอยากจะมีความสุขก็ต้องสร้างสุขนะอย่าไปาไปหวังบนบานสารกล่าวอย่าไปอธิษฐานนะในความหมายที่ร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิปฏิหารต้องทำกรรมก็คือทำด้วยตัวเราเองนะอันนี้เราก็เรียกว่าเป็นคาถาสร้างสุขนะแต่ว่าก่อนที่จะมาถึงคาถานี้ก็ ไอ้คาถาดับทุกเนี่ยนะขอให้จําใส่ใจเอาไว้อ่ทุกวันทุกวันเนี่ยเตือนตัวเองบอกตัวเองว่าฉันมีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้หรือถ้าแก่แล้วเนี่ยก็ก็ให้ยอมรับมันซะถ้ายังไม่แก่ก็เตือนใจไว้เตือนใจว่าฉันมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ถ้ายังไม่เจ็บไข้ก็เตือนใจเอาไว้ ถ้าเจ็บไข้ก็หมอเป็นธรรมดาฉันจะต้องพัดภาคจากของและของชอบใจทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติหรือคนสิ่งของเตือนใจไว้นะถึงเวลามันเกิดขึ้นมันก็เสียแต่ของนะแต่ใจไม่เสียถึงเวลาป่วยก็ป่วยแต่กายใจไม่ป่วยถึงเวลาแก่แก่แต่กายใจไม่แก่จะ ข้อสุดท้ายเนี่ยฉันมีความแก่เป็นธรรมดาจะลบเนความแกแ่ไปไม่ได้เตือนเอาไว้ถึงเวลาจะตายมันก็ยอมรับได้ไม่ทุรนทุรายนะเรียกว่ามันตายแต่กายนะแต่ว่าใจนะใจมันไม่ได้รู้สึกตายไปด้วยหรือผู้อย่างนงคือว่ามันไม่มีผู้ตายนะถ้าปฏิบัติธรรมจริงๆนะมันจะมีจะมีแต่ความตายแต่ไม่มีผู้ตาย เพราะมันไม่มีความยึดมั่นถือมั่นว่ามีเรานะมีกูมีของกูอันนี้ต้องอาศัยการปฏิบัตินะซึ่งก็เป็นเรื่องข้อที่5าเนี่ยเรื่องกรรมเน่นะเรามีกรรมเป็นเผาพันเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยจะอยากจะให้นะมีความมีความสุขในทุกสถานแม้แต่เวลาตายนะก็ไม่ทุกทุกรนทุรายนะก็ต้องหมั่นปฏิบัติทำจเจริญภาวนาจนทังมันไม่มีความสุข ตัวกูของกูหรือว่าตัวฉันทําให้ตัวฉันมันตายถึงแม้ตอนนั้นเนี่ยมันก็มีแต่ความตายแต่ไม่มีฉันผู้ตายแล้วมันจะทุกข์ได้อย่างไรนะมันก็เป็นความทุกข์ของร่างกายที่ต้องแตกดับไปตามธรรมชาติของดินน้าไฟลมนะแต่ว่าไอความรู้สึกทุกข์ใจเนี่ยมันไม่มีเพราะมันไม่มีผู้ตายไม่มีความรู้สึกว่าฉันตาย อันนี้แหละที่อาจารย์ุฒิวั์ตายก่อนตายให้มันปฏิบัติให้จนถึงขั้นตายก่อนตายชก็คือตัวกูมันตายหรือว่าความยึดมั่นในตัวกูมันดับไปถึงตอนนั้นเนี่ยเวลาหมดลมหัวใจหยุดเต้นนะก็ไม่มีความทุกข์อะไรนะมีแต่เวทนาซึ่งเป็นเรื่องของกายเอาคำนี้พูดกันเท่านี้นะเอากรับ